ความรู้กระบวนการของธรรมชาติระยุกสู่ปฏิบัติการในการพัฒนามนุษย์ระบบของมัชฌิมาปฏิปทาอาริยสัจ4ี่ออกแสดงทางมรคคาชีวิตที่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาจากปฏิจจสมุปบาทและไรลักษ์ที่เป็นความจริงตามธรรมดาของธรรมชาติมาเป็นอริยสัจ อันเป็นความจริงเพื่อความรู้เข้าใจภายในปัญญาวิสัยของมนุษย์และในอริยาศัสี่นั้นก็มีมัชซึ่งเป็นการนำความรู้ในความจริงของธรรมชาติที่เปิดเผยออกมาเป็นมัชเชนะธรรมเทศนานั้นมาจัดวางเป็นระบบปฏิบัติการในการพัฒนาความเป็นอยู่การดำเนินชีวิตโดยมนุษย์สามารถใช้ความรู้ในความจริงของธรรมชาตินั้นมาใช้มาปฏิบัต เพื่อประโยชน์แก่มนุษย์และแก่โลกทั้งหมดได้อย่างดีที่สุดทั้งหมดที่ว่ามานี้ในความหมายหนึ่งก็คือการที่มนุษย์หลุดพ้นเป็นอิสระจากอำนาจของความเชื่อต่อพระพรมเทพผู้เป็นใหญ่ที่สร้างและจัดสรรบรรดาชีวิตและสังคมของมนุษย์โดยที่มนุษย์สามารถจัดการกับชีวิตกับสังคมกับโลกเองด้วยปัญญาที่เข้าถึงความจริงสากลของธรรมชาตินั้น ดังว่าแล้วอริยสัจส์มข้อแรกเป็นเรื่องของความจริงตามธรรมดาของธรรมชาติหรือกฎธรรมชาติที่นำเสนอต่อปัญญามนุษย์โดยจัดวางตั้งไว้เป็นฐานเป็นที่อ้างอิงซึ่งปฏิบัติการของมนุษย์ในอริยสัจ ท, ที่สี่จะต้องเป็นไปและให้เกิดผลสมตามหรือสอดคล้องกับความจริงของธรรมชาติในอริยสัจ3ามข้อแรกนั้นเมื่อการปฏิบัต หรือดำเนินมัตต์สอดคล้องสมตามความจริงของกฎธรรมชาติดังที่แสดงในอริยสัจทั้งสาข้อต้นนั้นก็เป็นการปฏิบัติเป็นวิถีชีวิตที่ตรงกลางพอดีที่จะให้บรรลุจุดหมายเรียกว่าเป็นมัชฌิมาปฏิปทาดังที่แปลกันว่าเป็นทางสายกลางซึ่งมีลักษณะที่บอกกำกับไว้คร่าวๆ ว, ว่าไม่กลายเป็นสุดตงที่พลาดไป ทั้งทางตึงเครียดบีบคั้นตัวให้ยากลำบากและทางย่อหย่อนที่สยบอยู่กับการบำเรอตัวกระบวนการดำเนินชีวิตที่ดีเริ่มด้วยมีปัญญานำหน้ากระบวน มากที่เป็นการพัฒนาชีวิตบนฐานแห่งความเจริญของกฎธรรมชาตินั้นดำเนินไปตามกระบวนปัจจัยาการฝ่ายนิโรธที่ตั้งตนว่าอาวิชาานิโรธาสังขารนิโรโทคือดับอวิชชานี่คือกระบวนการดับทุกข์หลอดไร้ปัญหาดำเนินไปด้วยการพัฒนาปัญญายิ่งขึ้นไปจนอวิชชาดับหายกลายเป็นมีวิชา เข้าถึงภาวะที่ทุกสลายปัญหาหายหมดไปดังนั้นมักจึงเริ่มด้วยปัญญาและปัญญาเริ่มแรกนั้นก็ต้องการให้มีพอเป็นทุนตั้งต้นปัญญาที่เป็นทุนของแต่ละคนนั้นเรียกว่าทิฏฐิแล้วว่าการมองเห็นปัญญาเท่าที่มีอยู่รู้เข้าใจมองเห็นอะไรอะไร คือบุคคลนั้นมีความรู้ความเข้าใจอะไรอย่างไรแค่ไหนความรู้ความเข้าใจเท่าที่เขามีนั้นก็ลงตัวเป็นความเห็นความเชื่อเป็นความยึดถือเป็นหลักการที่ยึดถือไว้เรียกได้ว่าเป็นข้อสรุปหรือเป็นผลรวมแห่งความรู้ความเข้าใจของเขาหรือปัญญาเท่าที่มีที่ถึงในเวลานั้นเรียกสั้นๆว่าทิฏฐิ ซึ่งเชื่อถือยึดถือมองเห็นอย่างนั้นได้แค่นั้นแล้วทิฐินั้นก็จะเป็นตัวนําในกระบวนการดําเนินชีวิตของเขาเมื่อบุคคลมีปัญญารู้เข้าใจเป็นทิฏฐิที่มองเห็นแค่ไหนอย่างไรเขาก็คิดการดําริเรื่องราวต่างๆเรียกว่าสังกับไปตามทิฏฐิในแนวทางของความเชื่อความยึดถือเข้าใจมองเห็นอย่างนั้นและได้แค่นั้น จะเรียกว่าคิดสนองทิฏฐิก็ได้แต่ในทางกลับกันก็สามารถทําให้สังกัดคิดแผกผันในทางที่ย้อนกลับมาปรับแก้แปลเปลี่ยนทิฏฐิได้ตัวทํางานหรือวิธีการจัดการกับความคิดที่ควรใช้ให้มากได้แก่โยนิโสมนัสิการ2 อ, อย่างคือทิฏฐิและสังกัดปะหรือสังกัดนี้เป็นพวกปัญญา เมื่อคนสังกับดำริคิดการอะไรอย่างไรเขาก็จะแสดงออกมาสู่การปฏิบัติเป็นพฤติกรรมด้วยวาจาเป็นการพูดจาปราศัยบอกกล่าวเจรจาด้วยกรรมมันตะเป็นการกระทำและทำการต่างๆทางกายเช่นใช้มือเท้าศีรษะและด้วยอาชีวะเป็นงานการหาเลี้ยงชีพโดยเป็นไปตามสังกับ ที่ออกมาจากทิฏฐิของเขาคือปัญญาวิสัยที่เขามีอย่างนั้นๆสมอย่างคือวาจากรรมตตะและอาชีวะนี้เป็นจำพวกศีลการทำงานของปัญญาก็ดีการที่คิดแล้วจะแสดงออกทำการทางกายวาจาอาชีวะก็ดีต้องอาศัยจิตใจเป็นแดนเป็นแหล่งดำเนินให้เป็นไป ก็แลในจิตใจนี้นอกจากตัวแกนนาในการคิดในการที่จะทำจะพูดอะไรอะไรคือเจตนาที่ตั้งใจจำงแล้วตัวที่เป็นแรงขับดันขับเคลื่อนหรือบางทีเรียกว่าแรงจูงใจก็คือความอยากความปรารถนาหรือความต้องการที่เรียกว่าฉันทะเมื่อคนสังกับนั้นความคิดการอะไรอะไรต่างๆ ก็จะดำเนินไปกับชันทะที่ต้องการใคร้ไฟปรารถนาอย่างนั้นๆชันทะนั้นมีสองอย่างคือหนึ่งตัณหาชันทะเรียกสั้นๆว่าตัณหาคือความอยากให้ตัวตนได้เสพสวยสนองรับการปลนเรอหรือได้เสริมขยายความยิ่งใหญ่เช่นอดโอโกเกเป็นข้อที่ไม่ควรให้เกิดให้มีขึ้น 2. อ, อุสลฉันทะเรียกสั้นๆว่าฉันทะคือความอยากความพอใจให้คนนั้นๆให้สิ่งหรือสัตว์นั้นๆอยู่ในภาวะที่ดีงามหมดจดสดใสเต็มเปี่ยมสมบูรณ์ของเขาของมันและอยากทำให้เขาให้มันดีงามสมบูรณ์อย่างนั้นมีชื่อเต็มว่ากตุ ก, กรรมยตาฉันทะเป็นคุณธรรมที่สําคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ชันทาที่อยู่ในใจดำเนินไปกับความคิดนี้ดังที่บอกแล้วว่าเป็นแรงขับดันหรือขับเคลื่อนต้นทางของความพยายามคือวายามะที่จะเดินหน้าก้าวไปในการคิดค้นพิจารณาไตรตรองมองเหตุผลพูดจาชี้แจงถแถลงความทากิจทำการทั้งหลายซึ่งเป็นความกล้าวกล้าวุดหนักบุกฝ่าไปไม่ระยอท้อถอยจึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวิริยะ ที่ท่านหนุนมากคือพยายามในการละมิจฉาทิฐิและทำปัญญาให้เป็นสัมมาทิฐิให้เต็มในการพยายามก้าวไปกับสังกับในการคิดค้นพูดจาทาการนั้นก็ต้องมีภาวะที่ใจตื่นพร้อมอยู่กับกิจอยู่กับงานไม่ใจลอยเผลอไผลไม่พลาดไม่หลงลืมจับได้ตามทันอยู่กับการที่ทำอยู่กับเรื่องที่เกี่ยวข้องนั้ น, น, น อันใดผิดร้ายก็เลิกละกัน้นทันยั้งได้อันใดถูกใช่ก็จับทันมั่นไว้การเพียรพยายามจึงจะสำเร็จผลนี่คือมีสติเมื่อมีสติใจตื่นพร้อมทันต่อความเป็นไปไม่เผลอไม่พลาดจับเรื่องจับงานไว้ให้แล้วก็ต้องมีสมาธิ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 และพัฒนาไปได้อย่างดีที่สุดสามอย่างคือวายามะรวมทั้งฉันทะที่เป็นตัวเริ่มนำหน้าวายามะนั้นวายามะสติและสมาธินี้เป็นพวกจิตแต่นิยมเรียกด้วยชื่อว่าสมาธิที่ถือเป็นตัวแทนเป็นอันว่ามักหรือปฏิปทา คือทางดำเนินชีวิตหรือกระบวนชีวิตของคนนี้มีองค์ประกอบ8ประการคือทิฏฐิสังกัปปะหรือสังกัปวาจากรมันตะอาชีวะวาามะสติและสมาธิจัดรวมเป็นสามพวกหรือสาหมวดคือปัญญาศีลและจิตหรือสมาธิมรคา ทางชีวิตนี้ที่ดาเนินไปผิดก็เป็นมรรคซึ่งมีองค์ประกอบแปที่ผิดเป็นมิจฉาเริ่มด้วยทิฏฐิผิดเรียกว่ามีมิจฉาทิฏฐิแล้วก็มีมิจฉาสังกปะมิจฉาวาจามิจฉากรรมันตะมิจฉาอาชีวามิจฉาวายามะมิจฉาสติและมิจฉาสมาธิถ้าดําเนินไปผิดอย่างนี้มรรคก็เป็นมิจฉามรรค นิยมเรียกว่ามิจฉาปฏิปทาทีนี้ธรรมะคาทางชีวิตนั้นจะดำเนินไปถูกต้องก็ต้องเป็นมัชซึ่งมีองค์แปลที่ถูกต้องเป็นสัมมาเริ่มด้วยมีทิฏฐิถูกต้องเรียกว่าสัมมาทิฏฐิแล้วก็มีสัมมาสังกปะสัมมาวาจาสัมมากรรมันตสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิ ถ้าดาเนินไปถูกอย่างนี้มรรคก็เป็นสัมมารมรรคที่นิยมเรียกว่าสัมมาปฏิปทาเรียกให้งามว่าอริยธรัมขีกามรรคหรืออริยอดสดาขิกามรรคแน่นอนว่าเราต้องการมรรคที่เป็นสัมมาปฏิปทาเป็นทางชีวิตที่ถูกต้องเป็นกระบวนสัมมารมรรคของคนที่ทำให้กระบวนปัจจัการ นิโรธวาระของธรรมชาติดำเนินไปดังได้บอกแล้วข้างตน้นมัคเริ่มด้วยปัญญาและปัญญาเริ่มแรกนั้นก็ต้องให้มีพอเป็นทุนตั้งต้นทีนี้ปัญญาที่เป็นทุนของแต่ละคนนั้นเรียกว่าทิฏฐิและก็ได้บอกแล้วด้วยว่ากระบวนรมัคที่ถูกต้องเป็นสัมมามัคนั้น เริ่มต้นด้วยทิฏฐิที่ถูกต้องที่เป็นสัมมาคือเริ่มต้นด้วยสัมมาทิฏฐินี่คือจุดสำคัญเพราะถ้าจุดเริ่มต้นถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิก็จะตามมาด้วยสัมมาทั้งหลายตั้งแต่สัมมาสังกัปปะเป็นต้นไปรวมกันเป็นสมัมมามัชหรือสัมมาปฏิปทาที่จะนำไปถึงจุดหมายจึงต้องรู้ไว้เป็นบทนาว่าสัมมาทิฏฐิ ปัญญาเห็นชอบที่เป็นทุนเริ่มต้นนั้นคือทิฏฐิที่รู้เข้าใจยึดถือเชื่อมั่นมองเห็นตามหลักการว่าอย่างไรพูดอย่างกว้างๆสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบเห็นถูกต้องก็คือความรู้เข้าใจมองเห็นตลอดจนเชื่อตามหลักการของความเป็นเหตุเป็นผลที่อ้างอิงความจริงของธรรมชาติแห่งความเป็นไปตามเหตุปัจจัยของปัจจัการ และธรรมดาของไตรลักษณ์จะพูดง่ายๆรวมๆก็ได้ว่าสัมมาทิฏฐินั้นคือปัญญารู้เข้าใจเชื่อในหลักอริยสัจสี่รักอริยสัจสี่ก็คือระบบเหตุผลที่นำเสนอกฎธรรมชาติแห่งปัจจยาการดังที่ได้พูดมาแล้วอย่างไรก็ตามในตอนเริ่มเข้าสู่มรรคานี้ ความรู้เข้าใจเชื่อถือชนิดที่เกื้อกูลเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ชีวิตและสังคมจำพวกความรู้ดีรู้ชั่วเชื่อ ว, ว่าบุญบาปมีเชื่อ ว, ว่ากรรมดีชั่วมีผลมีวิบากเชื่อ ว, ว่าทานมีผลเป็นต้นก็เป็นทิฏฐิต้นทุนที่จะช่วยให้ก้าวหน้าไปในมรดได้ท่านเรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิที่ยังมีอาสวะเป็นสัมมาทิฏฐิ ขันโลกีเป็นความรู้ความเข้าใจที่ทำให้มองเห็นถูกต้องอยู่ในแนวทางของความเป็นเหตุเป็นผลที่จะไปต่อเชื่อมกับความเข้าใจสภาวะและความเป็นไปตามเหตุปัจจัยได้เข้าทางได้เมื่อมีสัมมาธิกฐิ ด, ดังว่านี้แล้วก็นับว่ามีปัญญาต้นทุนที่จะเริ่มดำเนินก้าวไปในมรรคาชีวิตที่เป็นสัมมาปฏิปทา จึงสรุปแสดงระบบของมัชมีองค์8ดที่เป็นมัชิมาปฏิปทาพอเห็นรูปเขาดังนี้ในที่นี้ในหนังสือเป็นแผ่นภาพนะครับประกอบด้วยปัญญาศีล ส, สมาธิปัญญาคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นลูกสอนชี้หาซึ่งกันและกันนะครับและสัมมาสังกัปปะมีลูกสอนพุ่งไปหาศีล คือสัมมาวาจาสัมมากรรมตตะสัมมาอาชีวะโดยที่มีฐานรากเป็นสมาธิคือสัมมาวายามะมีลูกศรพุ่งไปหาสัมมาสติสัมมาสติมีลูกศรพุ่งไปหาสัมมาสมาธิและทั้งสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิเป็นหมวดของสมาธิมีลูกศรไปถึงปัญญาและศีลข้างต้นนั่นเอง สำหรับท่านผู้ฟังที่ต้องการเข้าใจให้ถูกต้องตรงทางจริงควรศึกษาจากหนังสือต้นฉบับของทางวัดด้วยนะครับเสียงอ่านทุกเรื่องนั้นเหมาะกับการฟังเพื่อจับภาพรวมและเพื่อฟังทบทวนเท่านั้น